ใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอความวรบกวนอยู่เสมออ่าเป็นน้ำก็ต้องขุ่นถ้ากวนมากาเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเลยนะ้าอาบดื่มท้ายซอยอะไรก็ไม่ควรเท้นั้นเพราะมันขุ่นมากจนเป็นตมเป็นโคลน จิต ใ, ใ, ใจที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ขณะที่ถูกรบกวนจนกระทั่งจงกมเป็นโคลนอยู่ภายใ น, ในจิตต้องแสดงความรุ่มร้อนให้เจ้าของปรากฏเป็นความทุกข์ความลำบากเราจะเอาความทุกข์ความลำบากนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรโลกกลัวกันทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากภายใ น, ในใจิตใจ แล้วเราจะไปทำประโดูดที่ไหนได้การแก้ไขไม่มีอะไรกวนใจก็คือการระวังด้วยสติหากจิตสงบกอนสบายเช่นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไรรบกวน แต่ก่อแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดเพราะน้ำลิ่งไม่ถูกก็ควรบ่อยๆพระพุทธเจ้าผู้ประธานพระโอวาทว้ทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรกเรญญนยานดูสัตว์ตวตวโลกในขณะที่ กับสรู้ใหม่ๆก็เรียนเยนญาณดูจิตใจไม่ใช่เรียนญาณดูความรู้วิชาฐานะสูงต่ำความมั่งมีดีจนของสัตว์โลกทั่วๆไปแต่ทรงเรียนญาณถึงจิตใจเป็นสำคัญถึงผูกควรจะได้รับมรรคผลผ่าน ในระยะรวดเร็วและจำเมียนตรายมาทำลายเสียก็ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่เมียนตรายอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ ตรงถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเรีงยานก็เลียงดูจิตของตัดโลกไม่ได้เรียงดูอะไรควรจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ควรรับธรรมเลยเป็นปะทะประมะคือมืดบอดทั้งกลางวันกลางคืนดูนเดินนั่งนอนเรียกว่ามืดแปดทิศแปดด้านไม่มีการสถานที่ ก็ามาเปิดก็ามาเบิกความมืดนั้นออกได้เลยมืดมิดปิดตาอยู่ภายในขีใจประเภทที่เป็นเช่นนี้พระองค์ก็ทรงช้าทรงชักตะพานไม่ทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นโรคก็คือโรคหมดหวังแต่ยาแต่หมอยังต้องเสียมันต้องยังต้องรักษามราร ย, ยาท ส่องให้ออกซิเจ น, นอะไรไปพอถึงการนี่เป็นมายาของมนุษย์เต่าทีท้ายส่วนพระพุทธเจ้าไม่สนสพระไทยแม้อาจจะพูดบ้างก็เพียงไว้จิตยาของโลกหรือสมมุติของโลกเท่านั้นแต่สำหรับพระไทยจะไม่มีความมุ่งมั่นต่อรายเช่นนั้นเลยท่านเรียกว่าลายปะทะปารมา หรือประเภท ICU ไม่มีทางแก้ไขรอเวลาอยู่เพียงเท่านั้นมีประเภทนี้ประเภทที่มืดบอดที่สุดท่องข้อทรงทราบนี่ทราบที่จิตใจนั่นเองไม่ทราบที่ไหนท่อมุ่งต่อจิตใจเป็นสำคัญศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นสำคัญยิ่งกว่าสินใดทั้งหมดในโลกนี้ อรพเภทที่เป็นอุคติตันยูที่จะรู้ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ประทานทำให้เพียงยอดๆทํานั้นอันนี้พระองค์ก็สงสาบและลองลงมาวิปจิตัญยูอันนี้ก็สงสาบและทรงสั่งสอนด้วยธรรมะที่ควรแก่อุปนิสัยของรายนั้นๆเนยยะคือพูด ก็ต้องได้สั่งสอนหลายครั้งหลาหนคือพอเนี้ยนำสั่งสอนได้พอที่จะนไไําไปได้ฉุดลากไปได้หุ่นง่ายเนยยะก็แปลว่าพอที่จะนําไปได้ถูไถยไปได้กันเองไม่เหมือนรประเภทที่ปัถะประมะคือนั่นนันหมดหมดหลังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเขาใส่รถใส่ลาขึ้นเล เหาโดยบินไปก็คือคนตายเมื่อเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับด้วยยานที่จะนําไปนั้นๆความประเพณีเป็นคนที่หมดหวังทั้งๆ ท, ที่มีชีวิตอยู่ก็หมดหวังคือไม่มีอะไรสนใจเลยคือไม่สนใจกับอะไรเลยชื่อขึ้นชื่อว่าอัตวัฏธรรพระองค์ทรงทราบหมดในบุคคลสี่จำพวก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 ทำไม่คล่องก็ไม่เอามีหมายถึงจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึเงเป็นภาชนะอันสําคัญอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายและจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวจิตได้บงการอะไรแล้วกายวาจาจะต้องจะต้องหมุนไปตามนะเรื่องของใจที่บงการนั้นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนนายซะก่อน สอนหัวหน้าให้เข้าอกเข้าใจแล้วไปอบรมลูกน้องอืเ ม, มื่อหัวหน้าเข้าใจแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนลูกน้องให้ดำเนินตามนี่เมื่อสั่งสอนใจให้เขา้าเข้าใจแล้วซึ่งเป็นหัวหน้าสั่งสอนใจผู้เป็นหัวหน้าให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็มาระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติให้ดำเนินไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านรงสั่งสอนไว้ ถือว่าดำเนินถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควรหาธรรมจริงไม่ใช่เรื่องเด็ดน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเราทุกคนมีจิตมีความรู้อยู่ทุกขณะไม่ว่าหลับหรือตื่นความรู้นั้นมีอยู่เป็นประจำ ไม่เคยกระทนหายไปไหนเลยหลับสนิทไม่แค่คนตายคนหลับสนิทผิดกันกับคนตายเวลาเรานอนหลับสนิทเรายังรู้ว่าหลับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาเราพูดได้แหมวันนี้นอนหลับสนิทดีเหลือเกินบางคนถึงกับพูดว่าแหมเมืม่อคืนนี้นอนเหมือนตายเลยมันเหมือนอเฉยกันไม่ตายน่กคือผู้รู้อันนี้มันเป็นอย่างนั้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 ถ้าหลับสนิทก็ที่ว่าเข้าสู่พวังแห่งความหลับอย่างเต็มที่แล้วก็ ม, มีฝันอะไรเกินขึ้นมาร่างกายก็มีกำลังจิตใจก็สดใสไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรกำลังใจก็มีถันหลับไปแล้วฝันไปต่างๆคือจิตไม่ได้เข้าสู่พวังแห่งความความหลับอย่างสนิทออกเทีเ่ยวเรื่อยลอนไป นี่หมายถึงหนึ่งความฝันความรู้รับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นหเพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั่นหรือไม่นี่สาคัญถ้ามีสติเ็าตามทราบความรู้อันนั้นโดยลำดับจะยับไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบคนมีสติ ด, ดีย่อมทราบทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวไปไปรู้เรื่องอะไร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 ลึกเกินอยาราบละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแฝงอย่นี่งหละมีแต่ความรู้โดยลาพังก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนอย่างคนบ้าอพอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าเพราะมีสติรับทราบว่าผิดหรือถูกประการใ น, นความรู้ที่ว่านี้ไม่ใช่ความรู้ถือบริสุทธิ์เป็นความความรู้ของสามัญชนธรรมดาและ ยังลดกว่าความรูุ้ษาหมันชนลงไปคือไม่มีสติคอยกํากับรักษาจึงได้เป็นความรู้ประเภทบ้างคือม่นมีอะไรปกครองไม่มีอะไรรักษาไม่มีอะไรรับผิดชอบเลยมีแต่ความรู้เลยลาําพังจึงเป็นเช่นนั้นถ้า ม, มีสติสตางเป็นเครื่องกํากับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้พ่อมีพุทคอยชักจูงมีผู้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 เฉยๆนั้นไม่มีความรู้เฉยๆที่ว่ามันมีจิเหล่งแสงนั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้นล้ ว, ลวนแต่ว่าท้ามีสติหรือท่านไม่มีสติท่านก็ไม่เสกสรรท่านไม่สำคัญร่างใหญ่ก็คือบริสุทธิ์ล้นล้วนแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้น จิตสามันชนทั่วๆไปจิงจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาถือจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรกิริยาแห่งการแสดงออกถ้ามีสติอีปัญญาความควบคุมอยู่ก็น่าดูสวยงามพูดก็มีเหตุมีผลทําอะไรก็มีเหตุมีผลหลักจริงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสาคัญนี่เร นับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคําว่าพุทธะหมายความว่าอะไรพุทธะเกี่พุทธัทธงสนางกระฉามีนี้เป็นพุทธะอันเลิ่โลกคือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริฐเราถือท่านผู้ประเส ร, ริฐยึนอมท่านผู้ประเสริฐมาไว้เป็นหลักใจมาเป็นเครื่องพึ่งพิงมาเป็นเครื่องอาศัยเราจึงควรจะระลึกถึงความรู้ของเราเสมอ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 จะทำหน้าที่การงานอะไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่คว่าผิดพลาดหรือเรื่องราวจะเกิดขึ้นภายใจิตใจก็มีสติปัญญากันกรองพิพจาิารณาพอทราบในทางถูกและผิดแล้วพอพยายามแก้ไขดัดแปลงตนหรือหาเอาตัวรอดไปได้ผุ้อย่างไงธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำผลให้ล่มจม แต่เป็นสิ่งที่จะถุดลากคนในเมื่อจะล้มจมหรือในเมื่อจะติดอุปสรรคอะไรเกิดความทุกข์ความลำบากประการใดธรรมะช่วยหรือสติปัญญาเป็นสำคัญจิตเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตขอให้พากันทราบอย่างถึงใจความรู้อันนี้ที่ประจำตัวของเรานี้ แม้เราจะจับตัวความรู้ไม่ได้ก็ตามก็คือความรู้อันนี้แหละที่เป็นรากฐานหนึ่งชีวิตแล้วเป็นนักท่องเที่ยวในวัดตัดทั้งหลายแต่นานขนาดไหนก็คือผู้นีแต่สิ้นสุดวิมุติตัดเรื่องความสมมุติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพราะผิดดวงนี้ได้รับการอบรมซากฟอก เชื่อที่เป็นภัยที่เป็นกําเหตุให้เกิดให้ตายอยู่ภายในจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือจิตก็หมดเหตุหมดปัจจัยคนนี้เป็นอันว่าหมดละคําที่ว่านักท่องเที่ยวในเวลาที่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะไป จะเกิดเรื่องต่างๆภายในจิตใจจึงขอให้ทาความระมัตระวังศึกษาเรื่องของจิตให้เพียงพอถูกต้องกับหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนอกจากนั้นเรายังจะนำอัดธรรมนี้ไปใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสังคมว่างแคบได้ตามกำลังความสามารถของเราอีกด้วยศาสนาเป็นเครื่องเพื่อทูนเป็นเครื่องพยุงโลก ให้มีความสงบร่มเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกดทุวงดังที่ส่วนมากเข้าใจกันมีจํำนวนไม่น้อยเหมือนกันว่าศาสนาเป็นเครื่องกดทุ่งความเจริญของโลกก็คือผู้ที่ว่านั้งเองเป็นผู้กดทุวงตัวเองและความเจริญของโลกไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้กดทุวงโลกทำไม่จะทํากดทุวงโลกพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้กดทุวงโลก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 แล้วมีความเชื่อถือในคำเท่านั้นของบุคคลที่เป็นภัยนั้นก็ย่อมมีความระบาดไปเรื่อยๆสากระจายไปหมดนั่นแหละคือภยัยศาสนาธรรมไม่ได้เป็นไัยถ้าว่าเป็นภัยแล้วพระพุทธเจ้าจะวิเศษได้อย่างไอถ้าทำเป็นภัยพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นภยัยต่อพระองค์เองและต่อโลกถ้าสมก็ต้องเป็นภยัยนี่ไม่ปรากฏ ส่วนมากทกคนไม่มีธรรมล่ะเป็นภัยแต่ตัวเองนั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นทังเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็นม่านังมีความสําคัญขึ้นภายในจิตใจอันเป็นตัวภัยเพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นภัยเบียดก็เป็นภัยโกรธก็เป็นภัยทางก็เป็นภัยอะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวภัยเถาโดนตัวเองตลอดเวลาผู้นี้แหละคือผู้เป็นภัย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสกรปรกเป็นเรื่องกรรมชาเลวสามเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมออันนี้แลคือตัวภัยฐาทํนธรรมซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวมา น, นี้จะเป็นภัยได้อย่างไงหากว่าเป็นภัยแล้วทําจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าพุทธเจ้าทรงแก้ได้แล้วโดยขี้เชิงไม่มีจรินในหลวงในพระไทัย ขึ้นขื้นว่าภัยดังที่กล่าวมั น, นี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์ยมุตตพุทธโธ ท, ทั้งโลกนี่เรียกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐทำของพระพุทธพระองค์ก็เหมือนกันที่ว่าธรรมโมปีโปความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตทั้งโคก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่างกระจ่างแจ้งความบริสุทธิ์ยมุตตนี่จะผู้ปฏิจากภายแล้วทั้งหมดนำศาสนาอัน ศาสนธรรมที่ปรศาศจากภัยที่บริสุทธิ์นั้นมาสอนโลกทําไม่ศาสนาจะเป็นเครื่องกดถ่วงโลกเป็นภัยต่อโลกมีอย่างที่ไหนที่ไหนนอกจากโลกผู้สําคัญว่าศาสนาเป็นภัยนั้นเท่านั้นเป็นตัวภัยแก่ตนเองและเป็นภัยต่อสังคมไม่มีอันใดที่จะเป็นภัเพราะความสําคัญเช่นนี้เป็นความสําคัญที่ผิดอะไรที่ทำให้ผิดก็คือเรื่องความคิดและหัวใจที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความคิดนั่นแหละมันเป็นตัว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 พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วุ่นวายสอนให้มีความสงบร่มเย็นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักเหตุจักผลรู้จักเขาจักเราโลกอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมากน้อยสร้างเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นตำบลหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นมณฑลเป็นประเทศนั่นประเทศนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หมู่ชนทั้งนั้น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 เป็นที่พอใจในการที่จะต้องทำํำแล้วโลกก็ร้อนเพราะเห็นนี้เองเพราะจิตใจของใครๆก็มีต้องการอิสรภาพเช่นเดียวกันและมีคุณค่าเช่นเดียวกันแม้ดัส่สัตว์เขายังกลัวตายเขายังกลัวความเบียดเบียนเหตุใดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่กลัวความเบียดเบียนไม่กลัวการทรําลายไม่กลัวการดูถูกเหยียดหยามกันเม่เหลือให้ไม่ตระถนากันทั้งโลกความที่ทําให้เกิดคํามก้ากร้าวเกลียดชงกันในกัน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 เลยให้มีถือเป็นความเส ม, มอภาคในคําว่าจาดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเ จ, จ็บเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนักให้ความเสมอภาคด้วยกันมาเป็นเพื่อนทุกเกิดเ จ, จ็บเจ็บตายด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนทํำลายกันเมื่อต่างคนต่างเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจของการนากาันเช่นนี้แล้วจะเบียดเบียนกันลงได้ไหมเบียดเบียนกันไม่ลงเมือ่อไม่ต่างคนต่างเห็นกันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วโลกมันก็เย็นเออมีผิดมีถูก เป็นหลักเป็นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างคนตั้งระมัดระวังไม่ต้องหาเลือดหลกปลีดติตดพ้นหมายตีความจริงเรื่องตัวไปต่างๆ น, นานาดังที่เป็นอยู่เวลานี้หรือที่เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือไม่ยอมนรับความจริงไปฉกไปรับเขามาเท่าไหร่ก็ว่าเขาหาเขาหาเห็นดูสิคนเราท่านยอมรับความจริงแล้วจะว่าเขาหาอะไร คุกติดตรางอยู่นี้เราไปถามเลยพว่า น, นี่เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตรางเขาหาว่าผมรับควายเป็นต้นแล้วรักเขาจริงๆหรือรักจริงๆเนี่ย่รักจริงจริงทำไมว่าเขาหาก็คือความไม่ยอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเองเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเกลเอ็ตเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสพขับปลดเป็นเรื่องกดทวงเป็นเรื่องทําลายจิตใจแล้วก็หมัดคล้องกันละกันมีมากน้อยเป็นการทํําทาให้กระทบกระเทือนและ เป็นความคิดหายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหรอที่โลกจเจริญด้วยอันนี้เหรออันนี้หรือเรื่องไม่กดถ่วงกันแล้กันไม่กดถ่วงโลกไม่กดถ่วงโลกยังไงมันร้อนเป็นปืนเป็นไฟยังไม่เศรามันกดถ่วงกันอยู่เหลอนั่นแล้วศาสนามีบทใดบาตรใดที่สอนโลกให้มีความเบียดเบียนเกิดความเดือดร้อนบุ่มบ่ากันอย่างนี้ไม่ปรากฏเลยเหตุใดศาสนาจึงจะเป็นเครื่องกดถ่วงโลกได้ล่ะนอกจากตัวเองกดถ่วงตัวเอง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 จากกิเลสทั้งหลายนะถ้าขณะใดามีสติมีปัญญาแม้จะไม่เพียงพอต้านกับความต้านทานหรือปราศถึงอนั้นให้หมดแต่ก็ตามเรายังพอยับยั้งได้ไม่ทุกถึงขนาดหรือไม่ทุกเต็มที่เต็มแดงนังพอลดหยอด่อนผ่อนผันกันบ้างยิ่งเรามีสติปัญญาพอตัวด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นค้าศึกต่อใจได้เลยนี่แหละทำคลองใจเป็นอย่างนี้จายเป็นอิสลามได้เพราะทำคลองใจ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 เย็นเต็มที่เต็มฐานก็คือใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วหาเราลองคิดดูดีว่าทำบทใดแงในที่ทําความกดทรวงทําโลกโลกให้มีความทุกข์ความเดดร้อนไม่ปรากฏแม้นิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมีมากน้อยแสดงหเห็นชัดเจนภายในตัวของเราเองเพราะเราต้องตั้งป้อมให้ดีพยายามกําจัดพยายามต่อสู้กับเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัว เราจะอยากให้มันกล่อมถ้าหลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันเอาให้มันมีเวลาตื่นบ้างแล้วมีเวลาต่อสู้กับเขาบ้างถ้าหากมีการต่อสู้กันแล้วคําว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบพค่ทีดียวคําว่าราบแค่ทีเดียวควือหมอบราบแค่ทีเดีย ว, เ, ยวเพราะไม่มีทางต่อสู้มีแต่หมอบราบเชื่อไปหมดเห็นว่าไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดถ้าหามีการต่อสู้ก็มี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 หายเต็มที่จริงๆก็คือจิตบริสุทธิ์แล้วแน่ตลอดเลยละไม่สงสัยไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากศึกษากับใครๆว่าน่าจะเป็นจากนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากรู้นั้นอยากเห็นนี้เพื่อนั่นเพื่อนี้อีกต่อไปไม่มีรู้แตทุกสิ่งทุกอย่างพาณกิตใจเต็มภูมิความรู้ความเห็นแล้วก็ไม่อยากความไม่อยากความไม่มีหอยไม่มีอะไรรบกวนแล้วพก็แสนสบาย ขอให้พากันนำธรรมะนี้ไปปฏิบัติรักษาตนดูสฐานที่ใดไปสฐานที่ใดก็ตามให้ทราบเสมอว่าความผิดถูกที่ดีนั้นอยู่กับเราการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วยการส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมการแก้ไขดัดแปลงหรือทำละสะามสิ่งที่ควรทำละก็อยู่ที่ตัวของเราไปไหนให้มีวดัดอให้ตัดสินจากวัด อย่างท่านอาจารย์ฟันเคยว่าวัดที่ตันวัดที่นท่านว่าวัดอยู่ภายในใจน่ะท่านผู้กระทูนี้วัดอยู่ภายในจิตใจเสมอวัดแต่ปฏิบัติมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรใครควรดูเหตุดูผลนั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆนี่ใครจะว่าบ้าก็ตามว่าบอก็ตามข้อข้อธรรมพันผู้รับผิดชอบเรานี่คือเราเองอย่าเป็นบ้าก็แล้วกันถ้าเราไม่เป็นบ้าเราเป็นร้อยๆอยคนจะมาว่าก็ตามมันมันมันบ้าทั้งนั้นน่ะคนร้อยคนนั้นร้อยร้อยคนนั้นน่ะ เราไม่บ้าแค่คนเดียวเราก็สบายอันนี้ยเป็นจุดสําคัญทางการนํานนอันนี้ไ ป, ปพูดปฏิบตัติเวลาถูกใครว่าอะไรอะไก็ให้คํานึงถึงพระพุทธเจ้าอย่าไป่วนโกรธ่วนวิ่ให้เขาไม่พอใจเขาความโกรธให้เขามันก็คือไฟเผาตัวเองความไม่พอใจในเขาก็คือไฟเผาตัวเองไม่ใช่เผาที่ไหนมันเผาที่นี่ก่อนไม่จึงไปเผาที่อื่นให้ระมัดระวังไฟกองนี้อย่าให้เกิด แล้วก็จะเป็นสุขโตนั่งรถนั่งลาแ้วก็สุขโตไปเรื่อยนั่งอยู่ในบ้านของสุกโตอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายหาละแฟนแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร